อิเมโคปนายาตสัมมโตเสคิยาธรรมากุเดสรักระชันติปริมันตลังนิวาเจชามีติสิกากรนนัยยาปริมันตะลังปารุปปิชามีติสิกากรนนัยยาสุปติจัลโลอันตรคหาเรกมิชามีติสิกากรนนัยยาสุปติจัลโลอันตรคหาเรนิสิสามีติสิกากรนนัยยา สูสัวุตโตอันตร a k a เรกำมินามีติสิกขากรณียาสูสั่าวตโตอันตร akah เรนิสิติทรามีติสิกขากรณียาโอคิตตจคุอันตร a k a เรกมินรามีติสิกขากรณียาโอคิตตจคุอันตร a k ะเรนีสิติทรามิติสิกขะกรณียา นาอุคิเตกายอันตร a k a เรกามิสามีติสิกาการะนยยะนอุกิเตกายอันตระขะเรนิสิริสามีติสิกาการโนยะนอุจจักขิกกายอันตร a k a เรกามิสามีติสิกาการโนยยา นอุจคิกายอันตร a k เรนิสีดิสามีติสิฆาการนยาอปัสสโดอันตร a เรกามิสาเมติติฆการนยาอปัสสโดอันตร a เรนิสีดิสาเติสิฆาการนยานกายาปจารกังอันตรคเรกามิสาเติสิฆาการนยานการยจาระกังอันตร a k เรนิสีดิสาเมติติฆะการ ระเรกามิสามีติสิกากรนัยยานบางหุปจาระกงอันตรขะเรนิสิดิสามีติสิกากรนัยยานาซิสนาสปจาระลงอันตรคะเรกมิสามีติสิกากรนัยยานาซิสปจาระางอันตรคะเรนิสิดิสามีติสิกากรนัยยานะคำภกะโตอันตรคะเรกมิสามีติสิกากรนัยยานะคำภกะโต้อันตรขะเรนิสิดิสามีติสิกากรนัยยานโอก อุณฑิตโตอันตรคหาเรกามิสัมมีติสิก้ากระน้อยยานาโอบุณฑิโตอันตรคหาเรนิติสิกามีติสิค้ากระนอยยานอุกุติกายอันตรคหาเรกามิสัมมีติสิค้ากระน้อยยานปันติกายอันตรคหาเรนิติสิกามีติสิค้ากระน้อยยาชัมเีสติารูปา สกกจังปินดาป่าตังปะตังเกเฮต้ามีติสิก้ากรัณอยาปะตะสันีปินดาปาตังปะตังเกเามีติสิก้ากรัณอยาสมาสูปะกางปินดาปาตังปะตังเกเามีติสิก้ากรัณอยาสัมมติติกลางปินดาปาตังปตังเกเฮตามีติสิก้ากรัณอยา สกัดจังปิณลปาตังผลจิตามีติสิกากรณียาปตะสังหีเป็นละปาตังผลจิตามีติสิกากรณียาสปะดานังเป็นละปาตังผลจิตามีติสิกากรณยาสัมสู้ปักังปินลปาตังผลจิตามีติสิกากรณียานั่งทูประตโอมาติตว่าเป็นละปาตังผลจิตามีติสิกากรณยาสู้ปังวาบยันเจนังวาโอเดเนนะปาตังชาเดช่ามีผิโยกรมไมตังอุปาดายาติสิกากรณียาสู นังวะโอดัณังว่าอกิราโนอัตโนอัทธายะอินยภาวเปตตาผลจิตชามีติสิคฆากรณอยานาอุชาตัสังเงีปเรสังปะตังโอโลกิตามีติสิคฆากรณอยะนาติมหันตังกาวลังกฤตตามีติสิคฆากรณอยา บริมันดลังอาโลปังคริธามีติสิขากรณียยานาณาหะไงกัวเลมุขดวารังวิวาริธามีติสิขากรณียานาผุนจะมาโนสมบังหะทั้งมุเขะปะกิปิธามีติสิขากรณียยานาสกัวเลนะมุเขะนาบยาหาริธามีติสิขากรณียยานาปินดุเขะปังขังผุนจิตธามีติสิขากรณียานากัวรลาวเทศดกังขังผุนจิตธามีติสิขากรณยยา นะอาอวัฏกันตการังผลจิตตามีติสิขากะรัณ น, นะนียานาหัตตนิถูนากาังผลจิตตามีติสิขากะรัณนยียานาะจิตตาวัการะกังผลจิตตามีติสิขากะรัณนยียา นาจิวห้านิชารักังผลจิตชามีติสิกาการณนอยยานาเจปูจะปูการักังผลจิตชามีติสิกาการณ์นอยยานาสุรุสุรุการักังผลจิตชามีติสิก้าการณนอยยานาหัตทนินเลหะกังผลจิตชามีติสิกาการณ์นอยยานาปัตนินเลหะกังผลจิตชามีติสิฆ้าการณ์นอยยานาอุทธะนินเลหะกังผลจิตชามีติสิก้าการณนอยยา นาซามีเซนาฮัตเทนะปานิยะทาละกังปตังเกเห็นซามีติสิกากรณนัยยานาสสิทธากังปตัตโววังอันตระคะเรชัดเดชซามีติสิกากรณนัยยา สมติงสาวโพชนาปตอิสรยุตตานาตาปานิจจะกิฬานะจตฺถมังเดสิตามีติสิกากรณนอยญานาดันตาปานิจจะกิฬานะจตฺถมังเดสิตามีติสิกากรณนอยยานาจตตาปานิจจะกิลานะจตฺมังเดสิตามีติสิกากรณนอยญา นาอุบถะปานิจจะอกิฬานัจจะธรรมเดชิจจะมีติสิกาการณันอยยานปาดุการุลพัจจะอกิลานัจจะธรรมังเดชิจจมีติสิกาการณ์นอยยานอุปาหานารุลนอุปาหานารุณพัจจาอกิลานัจจะธรรมังเดชิจจะมีติสิกาการณ์นอยยานยานะกตตาอกิลานัจจะธรรมังเดชิจจมีติสิกาการณ์นอยยา นัสยาณกะตัจจะกิลานตะธรรมังเดสิฆามีติสิกากรนอยยนาปนธิกาญาณิสินนัสยาณกะตตะธมังเดสิฆะมีติสิกากัลรอยยานเวทไตรศิสตะกิลานัตตะธรรมังเดสิฆะมีติสิกากรนอยยา นาโอุณทิตาชีสัจจะอกิลานัจจะธรรมังเดชิสามีติสิก้ากรณ์อยยานามายังนิสิิตวอาเสนสิอะกิานจะมังเดิสามีติสิก้ากรอยยานเจอาเสนนิิวะอุเจสนนิสินัสอะกิลานัจะธรรมังเดชิสามีติสิก้ากรณ์อยยานิโตนิสินัสอะกิลานัจะธรรมังเดชิสามีติสิกากรณ์อยยานาปชะโตกัจชันโตปุร พระโตกัจันตสาอกิลานตสาธมังเดจิตสามีติสิก้ากะรณ์ไมยาอุปเทนะกัจฉันโตประเทศนะกัจันตสาอกิลานตสาธมังเดจิตสามีติสิก่ากะรณ์น้อยยา โซละสะธรรมเดสนาปติชั่งยุตตานาทิตโตอกิลาโนอุจารังวาปะซาวังวาเคลังวาการิซามีติสิกากรันน้อยะานาฮาริเตะอิลาโนอุจารังวาปะซาบังวาเคลังวาการิซามีติสิกากระนน้อยยานอุดะเกะอภิลาโนอุจารังวาปะซาวังวาเขลังวาการิซามีติสิกากระนนอยยาตัโยปะกินนาคา อุดิต t h โคอายสมันโตเทคิยาธรมมาตทธายสมันเตปุชามิกจิทาปริสุทธาดุติยมิปุชามิกจิทาปริสุทธาตติยมิปุชามิกจิทาปริสุทธาปริสุทธาเยสมันโตตัตสมาตุนีเอวะเมตังทารยาเม